มาญหาในทางหลวงพ่อเทียนในทางสัยหลงพ่เทียนเราอาจจะอาศัยเรียกว่าการเคลื่อนไหวนะเป็นตัวที่จะพ า, า, มมเเาเราไปสู่ความไม่ทุกข์อาศัยความเคลื่อนไหวเป็นตัวพาเราไปสู่ความไม่ทุกข์เราเราใใคล้ายว่าชีวิตเราความเคลื่อนไหวก็จะพาเราให้ได้ผลต่างๆ เราเคลื่อนไหวจับช้องจับซ่อมเราก็ได้ตักอาหารใส่ปากเราเคลื่อนไหวเขียนหนังสือทํางานเราก็ได้เงิ น, นะเนเดือนเนาะมีเงินเดือนสําหรับเลยืมชีวิตของเราไปตรงนี้ก็ถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะไม่เรียกวา่า ไ, ไม่มีผลไม่มีผลตอครับแต่ว่ากรรมฐานของเราก็เหมือนกันเราไม่ได้เป็นเพียงแค่อาศัยการเคลื่อนไหวได้เงินเดือน หรือการอาศัยการเคลื่อนไหวทำความสะอาดบ้านลั่งจามอะไรเท่านั้นเองแต่ว่าเราจะอาศัยการเคลื่อนไหวอันนั้นแหละเนาะเพื่อที่จะทำให้เราไม่ทุกข์ไปด้วยนั่นนั่นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราทำเรื่องหนึง่งเนาะเพื่อให้ได้ผลอย่างหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทาเรื่องเดิมน่ะแต่ว่าเราจะให้ได้ผลอีกอย่างนัง่นนั่นคือตรงนี้เมื่อก่อนเนาะเรามีกายเนาะที่แบบว่าจะทำงาน แต่ว่าเรามีใจเนาะไม่ได้ออกมาทําด้วยเราก็เอาใจของเราปล่อยให้มันลอยไปคิดโน้นคิดนี่เนาะปุ๊บสร้างไปหาเรื่องใส่ตัวไปต่างๆหาเรื่องหนักปุหนักใจไปแล้วพวกเราเคยสังเกตเนะานไไนะเวลาใจลองไปยส่วนใหญ่พอใจลองไปเนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยผลก็คือหนักปุหนักใจนั่นนั่นคือตรงนี้งานเพรา ง, งานเนาะแต่ว่าเราหาเรื่องหนักใจใส่ตัว แล้วเราก็ไม่ค่สังเกตล้ว่าที่ใจลอยไปมันมักจะหาเรื่องหนักใจกลับมานั่นเองคือตรงนี้เนาะเราก็เอาตรงนั้นนะเวามใจทีตรงนี้หนนะักกลับมาทํางานกับกายด้วยตรงเนี้เป็นการฝึกเนะนั่นเองคือเมื่อกายเคลื่อนไหวเนี่ยให้ใจมาคอยรับรู้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทํายังไงเราถึงว่าจะเอาใจมา่อยรับรู้ตรงนี้ก็คือเรียกว่าเอาความรู้สึกตัวเอาสติเนาะ เป็นตัวที่ช่วย น, นะอย่างนี้เมื่อกี้ใครที่อยู่ตรงนี้เนี่ยท่าอาจารย์นโนก็ได้บอก น, นบอกว่าเราจะเหมือนกับเราดูร่างกายเราเนาะดูหันหาเหมือนดูคนอื่นตรงนี้เนี่ยดูหันหานดูคนอื่นแต่ว่านั่นคือเรามีตาสองตาเนาะที่เรามีกันอยู่สนับดูคนอื่นแต่ว่าสิ่งที่เราจะเอากลับมาดูตัวเราเองเนี่ถอยออกไปดูตัวเราเองแล้วก็จะเรียว่ามีสตินะมีสติ หรือมีความรู้สึกตัวสติหลวงพ่อคำเขียวเนี่ยจะเรียกว่าตาพิเศษตาพิเศษหมายถึงเป็นตาที่ไม่ใช่แค่เห็นข้างหน้าเพราะตาที่เรามีนี่เห็นเฉพาะข้างหน้าเกิดตาข้างตายาก็มีปัญหาแล้วนั่นนั่นคือแต่สติเนี่ยจะไม่มีปัญหาแบบนั้นเลยจะเห็นหมดนะเห็นข้างหน้าเห็นข้างหลังเห็นข้างในเห็นแม้ใจที่เราออกนี่เหเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้คําว่าเรามาฝึกสติกันตัวเนี้ย แลสติตัวนี้นะที่จะช่วยให้นามแบบว่าได้เห็นจิตใจนะเมื่อกี้ก่อนที่ก็จะลดจะจบอาจะลดก็บอกว่าดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกตรงนี้เนี่ยเนาะอุปกรณ์ที่จะใช้ดูกายที่เคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึกก็คือตัวสติอาจะลดก็พูดถึงเรื่องการวางใจการวางใจตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลเนาะจากการที่เรากําลังจั จับหลักปฏิบัติกันนอผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายตรงนี้ให้พวกเราจับหลักกันนะว่าเมื่อมีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเอาใจมาคอยรับรู้ด้วยเมื่อมีกายที่เคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้ด้วยนั่นนั่นคือตรงนี้เนาะเราจะหาการถ่ายก็เรียกว่ารูปแบบที่เป็นรูปแบบการนั่งท่างจะหมักสิบสี่จะหมัเราะอย่างที่พวกเราอาจจะดูแปลกตาว่า ในสนึ่งวัเรียมมีการเคลื่อนไหว ท, ที่แปกไปแต่ว่าตรงเนี้นั้นอย่างที่บอกการเคลื่อนไหวเมื่อก่อนเราได้ผลอย่างเดียวกวาดบ้านก็น้องก็ทําความสะอ า, บาดบ้านไปเช่นบ้านก็ทําความสะอาดบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะกวาดบ้านไปด้วยได้เจริญสติไปด้วยขับรถไปด้วยเจริญสติไปด้วยนั่นนั่นคือตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราหักจากหักใ น, น, นส่วนที่กายที่ทําะบางจันทร์บางค่อยทาด้วย เอาสติเนาะคอยรับรู้ไป่รับรู้กายที่เคลื่อนไหวรับรู้ใจที่มาเนาะมาอยู่กับกายนั่นนั่นคือตรงนี้นะเป็นเรื่องที่ให้พวกเราได้อนะัากันก็ให้พวกเราได้เอามือวาองบนบนเข่าเอามือวางบนเข่าเริ่มต้นลองๆกันเริ่มต้นตอๆกั น, นะกนคนที่ทำ ไ, ได้ก็ทำนะครับทำแต่ส่วนคนที่ยังทำไม่เป็นนะเรอลุกท่านสอนมาเป็นคำ ตรงนี <fingers out> <hora> <Off> ้เรารับรู้ว่ามือวางบนฐานเรียบร้ยแล้วหรืยังรับรู้เลยรับรู้นั่งให้สบายแล้วมั้ยตอนที่จะเคลื่อนไหวมั้ยมีหลายคนนี้ก็ขยับตัวนะครับการขยับตัวนี่หมายถึงว่านี่เราก็สังเกตผ่านความรู้สึกของเราแล้วมัเรารู้สึกเรานั่งให้สบายเราก็ขยับตัวและนั่นก็คือตรงนี้เราเริ่มใช้สติมา เราเร่มใช้สติเมื่อสติ่มใช้ก็จะมีกรารกลับเรียกว่ากลอบจากส่วนที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นสู่ส่วนที่ไม่ทุกข์นั่นก็คือเนาะเรารู้ตัวกันง่ายๆแบบนี้รู้กันง่ายๆไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยรู้อยู่แล้วมือตอนนี้เรามางอยู่บนเข่รู้อยู่แล้ว ว, าาลว่าตอนนี้เรานั่งกันสบายๆแล้วก็พร้อมที่จะหัดกันพลิกมีความตะแทงขึง้นทาตามนะครับทำเบ ยกขึ้นขมูขวาคทิศทามืาตแขึ้นยกขึ้นทำมือขวาเลืนมือฝาขึ้นนิดหนึ่งยกออกข้าง้างาง้าหลงเลนมือ้ายขึ้นนิดหนึ่งยกออกข้างข้างางบนาหลงรีบมือขาแตแข็งขึ้นยกขึ้น วางไว้ที่ท้องริกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างข้างวางบนขาความลงเลื่มือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างางบนขาความลงริกมือขวาจะแข็งขึ้นยกขึ้นวองไว้ที่ท้องริกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นทับมือขวา เลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างข้างวางบนฐานความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นนิดนึงยกออกข้างข้างวางบนฐานความหลงปิ้มือขวาแต่แคงขึ้นยกขึ้นบริเวณที่ท้องลิกมือซ้ายแต่แคงขึ้นยกขึ้นทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างข้างวางบนฐานความหลง เดินมือซ้ายขึ้นยกกว่ข้างข้างวางบนขาความหลงดูนิดหนึ่งนะติ๊กมือซ้ายกมือขวาตะแข็งขึ้นยกขึ้นมองที่ท้องติ๊กมือซ้ายตะแข็งขึ้นยกขึ้นทับมูอปวาเลินมือขวาขึ้นยกกอกาข้างข้างางบนขาความหลงเลินมือซ้ายขึ้นยกกอกาข้างข้างางบนขาความหลง อันนี้เราก็ขอได้แล้วเท่าที่เห็นอั น, นี้เราอยู่นดิดนะ็นจังหวะเราจะมีเป็นจหหนังหวะเนึ่ในจังหวะที่พูดนะคที่มือขวาจะแข็งขึ้นนะยกขึ้นมาไว้ที่ทองเราจะเห็นนะว่าการยกมันจะมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้เนะว่าให้เรา รับรู้เนาการเคลื่อนไหวรับรู้ลองเอาเนาะก็เรียกว่ารับรู้การเคลื่อนใหมวของร่างกายรับรับรู้การเคลื่อนใหวของร่างกายอย่าเพิ่งไปรู้มือรู้อวัยวะตรงส่วนรับรู้ความเคลื่อนไหวก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่เราหัดเนาะหัดกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับรู้ความเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถบวกเอาความเคลื่อนไหวตรงนี้ไปบวกกับความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เราใช้กันอยู่ จะไปกินข้าวก็ดีอาบนนะ้ําก็ดีแปรงฟันก็ดีมีความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั้นคือตรงนี้เนาะเราหักเนาะหักที่จะรับรู้ความเคลืคค่อนไหว ม, มันจะมีการเคลื่อนการหยุดให้เรารู้มันมีการหยุดแล้วมีการเคลื่อนใหม่มีการหยุดเนาะแล้วก็มีการเคลื่อนใหม่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะให้เราแบบวา่เาเวลาที่ทำกรรมฐานเนาะทางการยกมือสิบสีจบ่จังหวะตรงนี้เนะี่ย เรีกว่าให้มีการเคลื่อนและมีการหยุดให้มีการเคลื่อนและมีการหยุดอย่าทาต่อเนื่องกันโดยไม่มีการหยุดบางทีจะมีการต่อเนื่องกันแบบอาจจมกไม่ได้นะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไปหมดนั่ น, น, ก, น, ก, นก็คือตรงนี้เราก็ให้พวกเราได้เอาใจใส่กันประการนึ่งก็คือเราเนาะการเคลื่อนการเคลื่อนหมายนึงอะไรเรียกว่า เราจะอาศัยความเคลื่อนไหวเพื่อให้เราไม่ทุกข์เนาะตรงนี้ยใช่ไหมฮะเห็นไหมจุดหมายสุดท้ายของเราเนี่ยนะเป็นความไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นนี่คือจุดหมายเบื้องต้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนีคือตรงนี้เนี่ยการที่เราใช้ความพยายามเกินไปเนี่ยใครจะรู้เมื่อเราใช้ความพยายามเกินไปใครจะสร้างใครจะสร้างเรารู้เองเนาะนั้นนี่คือตรงนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังยกมือ สร้างจังหวะตรงนี้ก็ให้เราสำรวจสํารวจนะในขณะที่เรายกนูเราพยายามเกินไปนะพยายามเกินไปน้อยบางทีอาจจะออกมากับรูปแบบของร่างกายอาท่เช่นช้าเกินไปนะพยายามให้ช้าเกินไปพยายามให้สม่ำเสมอมากเกินไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความพยายามมากเกินไปเราจะสังเกตในคราวเวลาที่เราพยายามมากเกินไป ร่างกายก็แข็งเนาะในจิตใจมันกงแข็งมากนั่นคือร่างกายก็ทุกขใจก็ทุกขนั่นนั่นคือตรงนี้เนาะเวลาที่เราเลือกมสร้างจังหวะเราลองปลับตรงดูสองเความพยายามมากเกินไปอาจจะเกิดขึ้นจากนะอาจจะเกิดกอพยายามอยพยายามมากไพยายามมปไม่หนึงมากเนาะคือเรา คำว่ายกมือมือเราไม่ได้มีอะไรอยู่ในมือไม่มีข้องไม่มีฝาไม่มีอะไรต้องหนักนั่นนั่นคือการยกก็คือการยกเฉยๆไม่ได้ใช้ความพยายามเลยมากการยกมีความพยายามเล็กๆน้อยๆนานเส้นเลื่อนการบกบางเราก็เราก็ไม่ต้องฝืกไม่ต้องอะไรต่างๆนะเราลองสังเกตลองปรับตัวเองอยู่บางกายสบายๆาะกำลังเดียวกันใจเรา ความทุกข์จะอยู่ที่ใจนั่นก็นคือตรงนี้นะเราเอาตรงนี้เป็นต่อว่าเราในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยเรารับรู้การเคลื่อนไหวของกายตรงนี้ไปก่อนแต่มันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือถ้าเกิดในขณะที่เราเนี่ยกําลังรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่และบังเ อ, อิญไปรู้ว่าอ้อที่ใจมันเคอไปคิดอย่างอื่นเนาะเอาใจกลับมาอยู่กับเคลื่อนไหวท้งต่อไปไม่เป็นความผิด แต่เป็นสิ่งที่นั่นเป็นความเคยชินที่เราเคยมีเราอาจจะปล่อยให้ใจไปคิดตรงนี้คิดตรนนี้แต่ตอนนี้ท่านกาลังจะฝึกใหม่กรรมฐานนี้เนาะเมื่อกายเคลื่อนไหวให้ใจเนี่ยมาค อ, อยรับรู้นั่นคือตรงนี้ให้เราจับหลักตรงนี้เนาะถ้าเราปล่อยให้ใจไปกายก็เคลื่อนไปทางนึงใจก็ไปทางนึงมันจะเหมือนกับชีวิตของเราที่เคยเป็นมาอาจจะร้างจามบ้างกวาดบ้านๆ้าเนาะนะฮะที่เราทํางนั้นใจก็ไหลไป นั่นก really ็คือตรงนี bum, scary, pot, ้นะครับว anyway, ่าเราคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายวางใจมาคอยรับรู้ความสติคอยดูการที่เคลื่อนไหวร่าเปือยเปลี่ยนท่าใจแต่เรไปคิดนึกเนี่ยก็กลับนะเราลองสังเกตว่าตรงนี้นะนลองสังเกตจ้ะอย่าปล่อยให้ใจเนี่ยลอยไปตามความระชินเก่าๆเรากำลังจะพูดใจเราเนาะจริงจอาจารย์ว่าพูดถึงเรื่องการวางใจการวางใจ นั่นนั่นคือตรงนี้คับเรากำลังทำงานกระจายผ่านกายที่เคลื่อนไหวด้วยนัะนนั่นคือตรงนี้ับเดี๋ยวพวกเราทำกัน ใล้ที AH ou, ê, ่ขาสองข้างสองข้างลิกมือขวาแตะแข้งขึ้นยกขึ้นมาวางไว้ที่ท้องติกมือซ้ายแตะแข้งขึ้นยกขึ้นทับมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นยกออกข้างข้างวางบนขาพับลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างวางบนขาพับลง ติกมือขวาจะแข็งขึ้นยกขึ้นมองวปที่ท้องติกมือซ้ายจะแข็งขึ้นยกขึ้นทับมือขวาเดินมือขวาขึ้นยกออกข้างๆวางมือขาความหนุเดินมือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆวางมือขวาวมหล่ลติ๊กมือขวาจะแขนงขึ้นยกขึ้น รีบมือซ้ายจะแท็งขึ้นยกขึ้นทับบนขวาเดินมือขวาขึ้นยกออกข้างๆบางมือขวาความหลงเดินมือซ้ายขึ้นยกออกข้างๆบางมือขวาความหลงให้รู้สึกเนาะรู้สึกเป็นกับการเคลื่อนไหวรีมือซ้ายจะแท็งขึ้นยกขึ้นทับบนขวาเดินมือขวาขึ้น ยกออกจากท้องท่าวองบนขาความหลงเดินไปซ้ายขึ้นยกออกจากท้องท่าวางบนขาคามลยังไม่ต้องไปคิดกังวลเ่าการคิดกังวลเนี่ยทําให้เราเนี่ยเสียสมาธิใจมันล้อนไปดังนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมีตัวอย่างอยู่ข้างหน้าเราดูตามตัวอย่างนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผิดดังนั้นคือตรงเนี้ยมาถ้านุ้มคิด เธอไปคิดไม่เป็นไรกลับมาใหม่เธอไปคิดไม่เป็นไรกลับมาใหม่แรกแร ก, ก็อาจจะมีความคิดสงสัยนู่นี้ไม่เป็นไร น, น้อย่าเพิ่ม๋ยวเพิ่มสงสัยก็เ ร, เราบอกไปอยู่แล้วว่าตรงนี้เราหักเราหักสายความเคลื่อนไห่ของเราเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะพาเราไปไม่ถูกนะตรงเนี้ยเราหักกันตรงนี้เราเคยเคลื่อนไหวปลีกเนาะ เหนื่อยฟรีๆแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะหัดเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วเราก็จะหัดจเราให้วางความคิดซักกลับมาอยู่กับการที่เคลื่อนไหวตรงนี้เขาเรียกว่าหัดวางใจเนี่ยตรงนี้จะแค่ตรงนี้เองเนาะจกแค่ตรงนี้เองที่เราหัดเนี่ยจะมีผลที่ยิ่งใหญ่ามากก็คือผลของความไม่ทุกข์เรานั่นนึกถึงตรงนีน้ให้พวกเราได้ลองหัดจัน วางความคิดความสงสัยมันไปก่อนเราเคยคิดเคยสงสัยได้แย่ๆมาแล้วนั่นก็คือตรงเนี้นะอย่างเนี้ยเราไม่เคยหัเมื่อการเครื่องไหวอัจจัยราไปรับรู้เนี่ยเราไม่เคยหนักนนั่นคือตรงเนี้ยอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพบก็ได้บ้างนี่คือวิธีที่ทําให้เราไม่ถูกเราส่านกรรมทางการผ่านการเคลื่อนไหตรงนี้เพื่อเพื่อเราจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวัน ใช้กับการทํางา น, น, น, นต่างๆในชีวิตก็จะมาของเราง่ายๆนะ้นั่นคือกรรมฐานนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะไม่หลับตาเราจะลืมตามีว่าการลืมตาของเราแล้วก็จะไม่เป็หาความหมายเอากับสุดสายตาของเราเราจะลืมลืมไปมองให้รู้ว่าข้างหน้าเรามีอะไรเกิด มีอนุัณที่เกิดขึ้นมาก็พอแต่ว่าหมายถึงว่าแบ่งความสนใจไปให้การเห็นบ้างแต่ว่านั้นคือเราเอาความสนใจหลักของเรามารับรู้การเคลื่อนไหวของนาการตรงเนี้ยให้เราลองหัดดูเนาะลองหัดดูดังนั้นคือตรงนี้เราจะไม่หลับตาแต่ทีนี้ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเราเรียกว่าการที่เราจะคอยมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ย บางทีเราก็าอาจจะเขาเรียกว่าไปเพ่งดูเนาะไปเพ่งดูความรู้สึกคําว่าเพ่งดูตรงนี้เนี่ยเราจะเพ่งดูผันใจของเราเนะาะผันใจของการเพ่งดูอาจจะเกิดจากการหลับตาเนาะหลับตาเพื่อรู้สึกเนาะถึงการเคลื่อนไหวชัดๆตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าแต่ว่ายัางไม่พอใจ นั่นคือตรงนี้เมื่อกี้พี่จันโนต์ก็บอกเอาไว้เนาะเรารู้สึกเนาะรู้สึกน้อยก็ได้รู้สึกชัดก็ได้ไม่ชัดก็ได้ไม่เป็นไรรู้สึกเรียบร้อยแล้วนั่นคือตรงเนี้ยเนาะเราเอาเพียงแค่รู้สึกแล้วเอาแล้วจะรู้สึกชัดก็ไม่เป็นไรไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเอาแค่รู้สึกนั่นคือตรงเนี้ยเมื่อเราเนามีความรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายจะน้อยก็ดีจะมาก ณขณะนั้นใจเรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเรียบร้อยแล้วนั่นคือตรงนี้นะว่ากรรมฐานเนี้ยเป็นกรรมฐานที่ไม่ยุ่งยากแล้วหรือเราเราอาจจะมีความรู้สึกว่าอเราไม่คู่มีสมาธนะิเดี๋ยวจิจัยเราก็ไปคิดนะเดี๋ยวเราก็แบบว่าไม่มีสมาธิกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตรงนี้ก็ไปเริ่มที่อย่าเพิ่งไปกังวล เพราะว่าสิ่งที่เราหักกับสิ่งที่เราเคยชินเนาะมันก็ ม, มีมีทั้งสองส่วนอยู่ในตัวเราสิ่งที่เคยชิน 20-30 ปีก็นานแต่ว่าเราเพิ่มหักใน5านาที10นาทีนี้เองนั้นั็นคือตรงนี้นะว่าถ้าเรามีสมาธิกับการที่จะคอยรู้สึกได้ว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยตรงนี้เราเริ่มฝึกสมาธิไปด้วยผ่านการเจริญสติไปด้วย ในขณะที่เรากำลังทำเนี่ยยกมือไปมาไปมาเนี่ยเราจะได้หัดสติไปด้วยหัดสมาธิไปด้วยของ้องค่ะไม่ใช่ว่าทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าพุทธเจ้าเรียเวนาที่สอนนะพระเจ้าก็จะเหมือนกับคล้ายว่าไม่เบียดเรียนตัวเองไม่เบี่ยดเบียนคนอื่นอย่าเนาะบางทีเราช่วยคนอื่นแล้วตัวเองเราก็รู้สึกถึงอัดขัดข้องในใจนะบางทีเรามีความรู้สึกเราต้องฝืนทน เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเขาสะดวกสบาอยอะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางโลกนะเราทําอย่างหนึง่งแต่ใจเรารู้สึกอีกอย่างห น, นึ่งตรงเนี้ทางพุทธลามเนี่ยก็ก็เรียกว่าห้ามเราห้ามไว้เพราะว่าให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นดัะนั้นในขณะที่เรากําลังหดปฏิบัติธรรมเนี่ยเรากำลัลงหัดตามคําที่พระพุทธเจ้าแนะ น, นํำนั่นก็คือในขณะที่เรา กำลังยกมือสร้างจังหวะตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําเรื่องกายอย่างเดียวแต่เราทําเรื่อใจด้วยในขณะที่เรากำลังเจริญสติด้วยว่าเราก็ไม่ได้ลืมเรื่องสมาธินั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวไปมาตรงนี้เนี่ยมีเรื่องใหายเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกายก็ได้ฝึกใจก็ได้ฝึกไปด้วยนั่นนั่นคือตรงนี้เนาะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่านี่คือเป็นสิ่งที่เรียกเป็น คำสอนของพระเจ้าเนะี่ยที่น่านับถือมากๆเลยนั้นนั่นคือพเราเริ่มต้นกรรมฐานที่ถูกต้องเนี่ยเรื่งดีๆเนาะจะไหเข้ามานั้นนั่นคือไม่ใช่แค่เสาสำอย่างที่พูดไปแต่ว่ายังมีความไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจในขณะที่ใจเรากลับมันอยู่กับเรื่องรูปตัวบางทีเราอาจจะยังไม่ทันสังเกตเห็นแต่ว่าตรงนี้ก็ผลผลักเกิดขึ้นแล้วนั่นนั่นคือตรงเนี้ยหลายๆสิ่งนะเกิดขึ้น นั่นคือความจริงในชีวิตของเราเนี่ยที่เรามองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเราไม่เคยเอาใจใส่เนี่ยตรงนี้ความจริงจะ่ค่อยเห็นชัดเจนขึ้นในขณะเพียงแค่เราหันกลับมาดูกายที่เคลื่อนไหวเราเริ่มที่การดูกัรดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยแลท้านที่สุดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในกายเราสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาเมื่อความจริงเนี่ยชัดเจน เราก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เจ้าบอกว่าถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความเป็นทุกข์ตรงเนี้นะเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเราเนี่ยกำหนังได้เขาเรียกว่าเดินไปสู่เส้นทางที่เราจะไม่ทุกข์วัะนั้นนั่นคือให้พวกเราเนี่ยได้ลององเคลื่อนไหวตรงนี้อย่างที่บอกเราอักขริยาเป็นปกตินะอย่างนี้ ไม่พยายามมากไปไม่เพ่งไม่จอ้องตรงนี้เราลองสำรวจ ด, ดูในขณะที่เรากำลังยกมือเอาใจใส่สังเกตความเคลื่อนไหวในส่วนที่าาร่างกายมีเคลื่อนไหวอาทิเช่นน้ำลาตัวบ้างอาทิเช่นคอบ้างใบหน้าบ้างต่างๆนา น, นาเหล่า น, นี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเราสำรวจ ด, ดูว่าเราวางค่าเป็นธรรมชาตินะั้มเราฝืนไปไหมหรือว่าเราปล่อยให้เขาแบบว่า เปลี่ยนแปลงไปโดยความเคยชินอันทิเช่นครับเราปรับตัวดีแล้วหน้าหลังตรงแล้วไปสักพักหนึหลังก็มอลงไปสักพักหนึงคอก็โค้งลงตรงเนี้เนาะมันนั่นคือสิ่งที่เราคอยสำรวจตัวเองผ่านการเคลื่อนไหวตรงนี้เป็ด้วยเพราะฉะนั้นคือมันมีความเคลื่อนไหวที่เราตั้งใจส่วนหนึ่งและความเคลื่อนไหวที่เราไม่ได้ตั้งใจอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นนั่นคือตรงเนี้เนาะในขณะที่เรากำลัง ตั้งตั้งใจนะยกมือเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนกันหยุดตรงนี้เนี่ยในอีกหลายๆส่วนก็มีให้เราได้คอสังเกตด้วยใบหน้าของเราก็เหมือนกันเราเริ่มต้นเนาะเราอาจจะวางหน้าท่าทางสบายๆแต่พอเวลาที่เราทําไปทำํำไาจิตใจที่หมกมุ่นคุ้นคิดก็อาจจะทําให้ใบหน้าเราแล้วอาจจะมีการคิ้วขอมวบ้างนะอาจจะมีการเล้มปากบ้างอะไรต่างๆนะ สังเกตุเรื่องพวกนี้แล้วก็เนาะเราลองสังเกตุดูว่าเมื่อเราเห็นปฏิกิริยาต่างๆงานแบบนีบ้อะไรเกิดขึ้นถ้าเราเห็นหน้าเรากาลังน้่งนิ่งยิ้มโมดอยู่เนาะเร า, า, า, างงรก็จะพบว่าความนั่งนิ่งยิ้มขมวดมัจะตลาดนะนั่นก็คือตรงนี้ให้เราสังเกตสังเกตุรอบๆเรื่องรอบๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับร่างกายนะทำนองเดียวกันก็อย่าลืมสังเกตว่าอืมนี่ ตอนนี้จิตใจมันคิดนึกหรือเปล่านาะนั่นนั่นคือตรงนี้เนาะการเห็นเนาะอาจจะเกิดการปรุงแต่งแต่ว่าท้านอนโดยการการปรุงแต่งก็จะเป็นเรื่องของความคิดที่เราบอกกันไว้ก่อน่าถ้านนึกคิดกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวใหม่เราจะมีการเคลื่อนไหวรองรับเนาะเขาเรียกว่าลองรับให้จิตเนี่ยที่เผลอไปคิดได้กลับมานั่นนั่นคือตรงนี้เราเคลื่อนหมายเป็นจังหวะเป็นจังหวะ ประมาณหนึ่งวินาทีหนึ่งวินาทีนัะเนื่นองดีตรงนี้เนี่ยถ้าเราหัดกันเนี่ยนับแต่นี้ต่อไปเนี่ยใจเราเนี่ยอาจจะลอยไปได้ไม่เกินหนึ่งวินาทีเพราะว่าเนื่องจากามีการเคลื่อนไหวครั้งหนึงรับรองและเนื่นองดีตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องให้ใครคอยมาเตือนเราว่าต้องนั่งใจรอมาตั้งนานแล้วอย่างนี้และนื่นองดีตรงเนี้ยเราจะได้เตือนตัวเองได้ด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าสติหรือความรู้สึกตัว นั่นคือตรงนี้นะมาให้พวกเราได้ลองพยายามทํำไปดูก่อนเมื่อกี้เมา่อจนได้ก็บอกทิ้งท้ายออกมาว่าก็จะทำไปแบบนี้นะทาไปไม่ต้องมีหยุดอะไรยน่นคือตรงนี้นะว่าเราจะหักเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีทุกเพราะฉะนั้นนั่นคือหยุดเมื่อไหร่นะทำทุกข์ก็จะจี้เข้ามานั้นคือตรงนี้นะว่าการหัดรู้สึกตัวตรงเนี้จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยพนจากความทุกข์ได้ มีกามการมีข้อสักยางกับการยกอื่นสร้างจังหวะดีมากถ้าไม่มีเดือดร้อนหลักอิเลียบทกันเป็นอิเลียบทยืนาดีมากดีมากเราบอจิตใจเราจ่ายเราพิสูจน์เลยถอมว่า ได้ยืนดีกว่ารู้สึกชื่นใจ <c oughs> ยขึ้นมค่อยๆขยับเลยค่อยๆขยับไยืนย่างอยู่ที่ตึกระบับในรูปแบบของการทำสมถานจะมีรูปแบบของการนั่งจะมรูปแบบของการยืนเมเดิ เกิจะกเขาเรียกว่านั่สร้างจังหวะหรือการเดินตรงกลมจะทำน้อยเดียวกันยบทยืมเนาะแล้วให้เรารู้ยืนบดยืนของเรายืมมากพอไหมเร า, นะเราเควารู้สึกไปยืมก็ดีนั่งก็ดีเนะื้อยืนก็เดียวยืนเป็นพวกนัก่งเป็นนัเป็นพวกนั่นนั่นคือตรงนี้ในการยืนระดับเท้าด้นานด้านขา เคื่อนไหเนเป็นตัวประหาต้ อ, อกเมื่อยที่เกิดจากการน้าคือตอนนี้ก็ปบปัญหาไปเยอะแล้วเนาะใต้เวลาไม่ถึงขึง้นนาทีนะบางีเราอาจจะมีนนคามมวนะามราูกสึนว่าเรื่อยจะแยกเลยกันแล้วถ้าคือตรงนี้พอเราเรียกว่าเราปรับน้ากายของเราเนี่ย ความทุกข no no. ์ทางการที่เกิดอยู่แป๊บียหายเนาะเราจะพบว่ามันมีความทุกข์ทางใจที่มันรู้สึกมันาักกับความทุกข์ทางกายนั่นก็คือตรงนี้คือสิ่งที่ให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้นาทางกายเนี้ยทางกายนี่น่าสร้างในหวาดก็ดีเดินเจอกลมก็ดีมันจะมีได้มาที่เราไม่ค่อรู้ไม่ค่อยทราบมันปะกงกันระหว่างเรื่องของกายกับเรื่องของใจ เมือกี้อาจารย์ก็พูดถึงเรื่องรูปเครื่องนานะลูปก็คือเรื่องของร่างกายนก็คือะนั่นก็คือตรงเนี้ในขณะที่เรากาลังอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นปัญหาเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเราจะรู้เรื่องราวต่างๆเกี่เป็นบเรื่องร่างกายละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วการที่เรารู้เรื่องละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างตรงนี้ยความรู้ตรงนี้ก็เลยว่าจะพัฒนาโดยการปัญญา แล้วปัญญาเนี่ยเรียกว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้เราได้กมันไม่ร์วันนี้เราขยับนะเราขยับยันขาซ้ายยันขาขวาเกิดการเคลื่อนไหวให้แบบขยับมานอกบอกเนาอยู่ในระมัดอยู่ในระมบอกให้ใหอยู่ในระช่องช่องตาอย่าอยู่ในอย่าอยอยู่ในช่องบอก ราบร uh. ูการเลื่อนหวในกาที e> ่เคลื่อนหวาจารยคอยรับรู้ในขณะที่เราอาสัยการเคลื่อนไหวของขาของเท้าเป็นแกนเด่นาารรู้ความเลื่อนไหวเหมือนกันเคื่อนไหวหนึ่งจะมีส่วนที่เท้าสัมผัสเป็นการหยุดนึ่ส่วนที่ขาต่าเป็นการเคลื่อนหวตรงนี้ก็เปิดาร เราอาศัยรับรู้ความเคลื่อนไหวเป็นตัวที่มาให้เราไ่ได้มีสติรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเคลื่อนไหวข้างหนึ่งเราได้รู้สติข้างนึงเคื่อนไหวข้างนึงได้รู้สติข้างนึงแลนั่นคือตอนนี้อ่ะพอเราเคลื่อนไหวมือแขนก็ดีก็ได้รู้สติข้างนึงเคลื่อนไหวขาข้างก็ดีก็ได้รู้สติข้างนึงและนั่คือเมกอบเราก็เดินไปพลียกมือไปพลี แต่ตอนนี้เนี่ยเราได้งานทังใจด้วยได้งาทั้ง่จด้วยใด้กลุ่มสติด้รยในหนังสือตรงนี้เนะมาวันนี้การพูดคุยเรื่องการทางานคือการปฏิบัติธรรมในหนังสือตรงนี้มันก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเครื่องลากของการทำงานคือการปริบัติธรรมความในสือในขณะที่เราในโครงข่าวเดิมแต่ว่าเราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปใจจะกาะอยู่กัตาขึ่นลอยของหน้าตา สติก็คอยรับรู้ถึงวันนั้นนั่นคือตรงนี้เนาะทุกครั้งของวารขึ้นใหม่เราจะตื่นสติภาวนาเรามีความขึ้นใหมป็นการละวันเไปได้ตื่สติหาทางการเรื่อยงนั้นคือตรงนี้เนาะว่าเราเรียกว่าเราจะเรียนรู้เเรียนรู้การตื่นสมาธผ่านการขึ้นหมเพื่อที่เราจะไปชั้นกับบาปข้างหมดอย่าก ลดูเวลาที่เราเดินเดินไม่ได้เดินจงๆนะเราล้วจะเดินเป็นปกตินะเดินเดินปกติดูนะอาจจะก่อโคเดินดีขื้นที่ระยะหนึ่งสองหรวงพ่เทียนก็แนะนำว่าประมาณสิบสองก้าวสิบสี่ก้าวทันนอนนี้นะสำหรับงานขนาดนี้หกเจ็ดเมตร เดินงายสุดปกติแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติของเราก็คือเราเคยเดินไปอึดไปนะเคยเดินไปปูไปตอนนี้เราจะเดินไปแล้วก็รับรู้ความเคลื่นไหวของร่างกายเราอาใจเราคอยเอาจิตใส่เนาะกับการก้าวการเดี่ยวตรงนี้เนี่ยการเดินที่เราเคยเดินไปก็กลับไปายเป็นจงกรมไปเพราะว่าเรูปแบบเปลี่ยน ทุกข์ก็สองเดินเป็นปกติเนือสบายสบายไม่ปืนเหมือนกับที่ไม่มีพยาญานะบอกของเราเวลนาที่เรายกมือสร้างเป็นวาตรขึ้นมาวางกายกลางกลางวางใจต่างๆนังนนั่นคือตรงเนี้ยในขณะที่เราจะกำลังฝึกกรรมฐานนะคะเราจะให้ควาให้ปุกบเกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นนัก็คือตรงเนี้ยการเดินเราจะไม่ช้าไปไม่เร็ไป ช้าไปแล้ไปใช้ตั้งเลี้ยมากไปเดินไปแล้วไมใช้ตั้งเลี้ยมากไปนั่นคือเดินเป็นปกติไม่ช้าไม่เร็วแต่รู้สิ่ที่เราจะต้องทําก็คือรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนหวรู้สึกไปกับการที่ข้ากระทบพื้นอาศัยการก้าวอาศัยการก้าวเป็นการขึ้นหวัแต่ละข้างแต่ละข้างเหมือนเดิมก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดอุคิด ก็กลับมาอยู่กาขเคลา่นไหวใหม่เกล่อๆมาว่าเขาบอกว่าเวลาที่เดิมนจะเห็นการกลับตัวนะก็จะกลับตัวหรืเรียกว่ากลับหันหน้ามาข้างหลังตลอดนาคือจะไม่เหมือนกับราอที่บนนะถ้าร่อนที่บนเนี่ยมก็จะนก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนะะนั้นก็คือตรงนี้การที่เราอยูุดนะอยู่ แล้วก็เริ่มต้นใหม่หยุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะเป็นการอัดวงจรความคิดไปได้ถ้าเกิดว่าเราเผลอไปคิดก็ไม่ใช่นาะรับก็จะมีสุขรทางตรงๆช่วยเราถ้าเราเผลอไปคิดนิดๆหน่อยๆก้าวต่อไปก็ช่วยเัาแล้วนั่นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้เราด้วยอย่างนี้ก็ให้กระจายกระจายมาทางช่องนะข้างหลังก็ตามช่องก็เลยมาข้างหน้ากันนะครับ ข้วหายคนน้อยก็เจิญาเรแล้วก็เดินน้าก็เดินเดินเดินถึงทางด้านหน้า้วก็จับร่อพุ่งข้างหเจรเิญเรเดินข้างหลังก็เจริญนะเดินข้าไหนยคนน้อยก็เจริญลองลองหาักนะาลันั่การเราแล้วก็ ลุงว่าเสริมชิดก็ไม่เป็นไรเดินทำให้ชิดจะได้น้องเข้ามาช่วจะได้มีทางเดินเต็มที่เราก็เคยเดินกันมามากนะแต่ว่าถ้าเรียกว่าตรงนั้นการเดินมันไม่เป็นการตรงตรงนนี้เราหักตั้งแต่นไปการเดินนะแต่การเดินเราเป็นการตรงตรงเจะได้ิติบาาให้ขึ้นมา เจ็บมือเล็กนิดนจะเอา่อยหนังนั่นก็ได้ต่อผมก็ได้เอาใ้ข้างหน้าก็ทําเพื่อให้ลองการเคลื่อนไหวแบบห้าเราเด็กาองหนักนี่งนิก่อนเดินมาสบานนะไม่ช้าไม่เร็วไม่ตึงตัวไม่รู้สึกตัวเพราะว่านั่นคือเรารู้สึกอยู่แล้วเปลี่ยนแต่ว่าถ้าไม่รู้สึกหมายความว่าใจลอยตานั่นคือรู้ว่า เต๋อใจเอเราจะคิดอื่นต <Taylor. S 1> ้องกับมาใหม่เรามี็น้าต่อไปที่จะต่อลเห็นกาต่อการที่จะพรวะไม่ต้องสูงไม่้งเรกว่าเต๋อไปพวกรูเองเราผิดได้หรือว่าไม่ผิดการปฏิบัติธรรมไม่มีผูกไื่มีิการสฏิัธรรมก็จะมีแต่รูุ้กกระโหลก อ๋อตอนนี้เราจบบเรารู้แล้วนะตอนนี้เรารู้ว่าหลงไปแล้วนะนั่นคือตรงนี้นรู้มีแต่รู้รู้ว่ารู้รู้ว่าหลงตรงนี้ก็การรู้ตรงนี้ก็เป็นการรู้ห่านการดูดูการคิดเคลื่อนไหวดูใจที่คิดนึดตรงนี้เป็นหลักหลักปฏิบัตินั่นคือตรงนี้ให้เราได้เหมือนกับจากหลักปฏิบัติตรงนี้ เราจะอยู่ตรงไ้นก็ปฏิบัติได้เมื่อมีความเคลื่อนไหวเราก็จะปฏิบัติได้ตอลอดรูปแบบของเรากรา็คือรู ป, รปแบบของการอาศัการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิบัติธรรมแผงงานปียาซึ่งก็คือกองโหนแผงเปถืออาจจะย่ำยาวเพื่อนไหวเราอยู่กับที่มันดีแะอาจจะมีรู้สที่ไม่เหมือนเพื่อนจะ สุงแสนได้กลับหลังเรื่องต่างๆแล้วก็เราก็คิดไปแต้ั่นก้คือต้องมีอาศัยการเคลื่อนหวของเรเป็นการที่เราคอรู้สึกตัวคอมรู้สึกตัวรู้สึกได้กาใจโดยคิดต่ากันต่อตนี้ยันเป็นสิ่งที่มันต่อการโดยคิดนะคือเป็นเรื่องของคุกเป็นเรื่ององความหลับงใจแต่ตรงนี้การิดยธิดต่างเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีแล้วก็เลยว่ามีสติความรู้ ติก็ได้ทงาน่คือการเสริมจิตนันไม่ใช่เรื่ต่เป็นที่เอาไว้รู้ไม่ต้องไปเล่งาไปตกใจไปเต็ที่เป็นภาคตางแต่บ้านนั้นคือสิ่งที่เราต้องทารู้ว่าคิดก็กับรู้ว่าคิดกกบคิดไปนาแค่หรจะไม่เป็นงา รู <mile> ้เมื่อไหร่กลับมาร <project> er ู้เมื่อไหร่กลา่ทุกครั้งที่รู้สติก็ได้ทำงานทุกครั้งที่รู้มันจติดได้ทงานอันนี้คือตัวนี้ถ้าเป็นสิ่งที่นราจะได้เจริญสติทำเคลื่อนไหวไม่ต้องเท็จไม่ต้องเตี้ยไม่ต้องหวานอะไรมาทุกครั้งทุกที่มีความเคลื่อนไหวจะไปเป็นอกตสาห์อะไรได้รู้ทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวจะเป็นอกตสาห์อะไรได้เลย ตรงาจะสามารที่เะใช่วันที่วันที่เราฝึกอยู่เรียกว่าฝึกสติฝึกเตือนสติเป็นการภาวนาเป็นการปฏิบัติไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ได้ทั้งหมดเมื่อก่อนชีวิตเราดําเนินไปเราอาจจะไม่เคยได้เอาสติเนาะอยู่กับเรื่องนาที่เราเคยทํำอาจจะใช้ความชำนาญให้ความรู้ต่าง แต่ตอนนี้ความรู้รร ก, รร ก, การทำงานก็ยังคงมีแต่เราจะเติมสติเข้าไปมีสติกับการทํางานมีสติกับการเคลื่อนไหวหรือเราจะไรีควา ม, มรู้สึกตัวอะไรในสมอันนี้ก็คือตัวเดยรรกันสติก็จะเป็นภาษาบาลีความรู้สึกตัวจะเป็นภาษาไทยแะนั่นคือตรงนี้นะวาเรากำลัาเติมสติในสิ่งที่เราเคยทำเคยมีอยู่เคยเจอ เราก็เดินหนเดินเดินสบายแลรวก็นึว่าเดินสายือยแต่ว่างนี้เนีมันจะเติความรู้สึตัวเข้าไปรู้สึกไปกัการที่เคลื่อนไหวดังนั้นสิงตรนี้เป็นสื่งที่เพิ่มเติมเข้ามาจากความคุ้นเคยขอาอาจจะเป็นความไม่คุ้นเคยเพราะว่าเราจะกบไปสู่ความคุ้นเคยกนเองก็คือการหลงไปคิดตรงนั้นหลงคิดนมาสติตมีหน้าที่ที่จะคอย แลนั่นคือตรง น, นี้ให้เราได้ค อ, อยรู้ว่าแตอนน่เราไปคิดเมื่อไห่กลับมารู้สึกตัวหักแบบนี้เนี่ยยิ่งหกักเราจะยิ่งทำงานซึ่งความคิดที่เปยหนักเคกลามันจะกลับมาได้เร็ขึ้นและนั่นคือตรง น, นี้นเป็นเหมือนกับทุกๆอย่างที่เราเป็น่ะผลโครงการหักก็คือทําได้ดีขึ้นดีขึ้นและนั่นคือตรง น, นี้นมาในขณะที่เราเริ่มหกักความทุกข์ก็เริ่มน้อยลงทีที นั่นคือตรงนี้ให้ก็กเราได้เรียนรู้กัน